กุทธคุณประการที่9้าภควาภัควาโดยปกติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นการแปลทับศัพท์และการแปลเช่นนี้เป็นแต่เพียงให้รู้ว่าคำนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระอรหันตสาวกองค์อื่นๆแม้จะเก่งสักเพียงไรก็ไม่อาจที่จะเรียกว่าเป็นภัควา เช่นเดียวกับคำว่าประตถาคตประสุคตประสัพพันญุคำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่หมายถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นอันหนึ่งคำว่าพัควานี้ตามที่ท่านอธิบายไว้ในคำภีวิสุธทธิมักนั้นมีความหมายหลายอย่างแต่ในเมื่อพิจารณาความหมายแต่ละอย่างรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคาว่าพัวา เป็นคำที่รวมเอาความหมายในเรื่องพุทธคุณไว้ทั้งหมดตั้งแต่คำว่าอารหังสัมมาสาัมพุทโธเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงคำว่าสัท ธ, ธาเทวมนุษยานังพุทโธนั่นเองคือหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพระนามว่าภัควาก็เพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้คำว่าภควา จึงจำเป็นจะต้องแปลทับศัพท์เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากดังที่กล่าวมานี้อันหนึง่งถ้าพิจารณาตามรูปประโยคมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าพควาใช้เป็นตัวประธานของพุทธคุณทุกบทซึ่งในเมื่อจะเรียงให้ครบตามรูปประโยคของภาษาบาลีก็จะเป็นดังนี้คืออิติปิโสภควาอรหัง แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ดชื่อว่าเป็นพระอรหันติปิโสภะวะสัมมาสัมพุทโธแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอิติปิโสภควาวิชาจรณาสัมปันโนแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณา อิติปิโสภคะวาสุขโตแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เสด็จไปดีอิติปิโสภคะวาโลกะวิทูแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกอิติปิโสภคะวาอนุตโรบริสธรรมสารถิแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่า เป็นสารทีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าอิติปิโสภะควาสัทธาเทวมนุษย์สานังแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอิติปิโสภะควาพุทธโธแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธะ อิติปิโสพัควาพัควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นภควาการแปลพุทธคุณที่ถูกต้องจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าภควาซึ่งเป็นตัวประธานดังที่กล่าวมานี้ทุกบทในการพิจารณาความหมายพุทธคุณต่างๆนั้นไม่มีบทไหนที่จะมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้ง และซับซ้อนมากเท่ากับบทพัควาเพราะแม้ในคำพีเองก็อธิบายบทนี้ยาวกว่าบทอื่นทั้งหมดแยกแยกความหมายอธิบายอย่างละเอียดซึ่งแม้แต่ผู้ที่รู้ภาษาบาลีอย่างดีเวลาอ่านคําอธิบายบทนี้จะต้องใช้สมาธิอย่างมากมีฉะนั้นจะจับใจความไม่ค่อยได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเราเข้าใจแล้วว่าบทว่าพควานั้น เป็นคําที่รวมเอาความหมายในเรื่องพุทธคุณไว้ทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราก็อาจจะถือเอาความหมายได้อย่างง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงพระนามว่าพัทควาหรือที่เรียกในภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นคาอธิบายเพียงสั้นๆดังที่กล่าวมานี้ ต้องพยายามอ่านให้เข้าใจและจะทำให้จำได้ง่ายว่าภคขาวาแปล ว, ว่าอะไรได้บ้างหรืออีกนัยยะหนึ่งจะทำให้เข้าใจว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระนามว่าภคขาวาคำอธิบายที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เป็นการถอดใจความมาจากคาอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีทั้งนี้ก็เพื่อให้จาง่าย สำหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีแต่อย่างไรก็ดีเพื่อต้องการที่จะแสดงหลักฐานให้ท่านเห็นว่าใจความที่ข้าพเจ้าได้ถอดมาเพียงสั้นๆตามที่ได้กล่าวมานั้นไม่ผิดจากหลักฐานที่กล่าวไว้ในคำภีรเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะอธิบายตามที่ท่านกล่าวไว้ดังต่อไปนี้คําว่าภคว่าเป็นคําประเสริฐ คำว่าภาควา่าเป็นคำสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงเป็นครูทรงประกอบด้วยคุณธรรมของครูเพราะเหตุนั้นประาทตทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าภาาักว่านี่เป็นข้อความตอนหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้และข้าพเจ้าเดบปล ย, ยังตรงไปตรงมาตามศัพท์และตามวยาก์จากคําอธิบายนี้ท่านจะเห็นได้ว่า คำว่าพักวาเป็นชื่อสำหรับเรียกผู้ที่เป็นครูที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดแต่อันที่จริงคำว่าพักวานี้เป็นคำที่ใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเช่นตัวอย่างในคำภีตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีให้ได้สาเร็จมรรคผลแล้วและต่อมาได้ทรงสแสดงธรรม โปรดพระยาศาสกับสหายอีกห4บคนให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้ส่งพระอรหันต์เหล่านี้ทั้งหมดไปประกาศศาสนาในที่ต่างๆส่วนพระองค์เองนั้นจะเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อจะทรงแสดงธรรมโปรดพวกชดินสามพี่น้องและในระหว่างทางนั้นเองในขณะที่พระองค์กาลังทรงประทับ เพื่อพักผ่อนอยู่ที่ไร่ฝ้ายใต้รมไม้แห่งหนึ่งในสมัยนั้นสหายส0สคนซึ่งเรียกว่าพัทธวัคีแปลว่าพวกเจริญพร้อมทั้งภรรยาเล่นอยู่ในบริเวณนั้นสหายผู้หนึ่งไม่มีภรรยาสหายทั้งหลายจึงเป็นนำหญิงแพทยามาเพื่อประโยชน์แก่สหายผู้นั้นรัาสหายเหล่านั้นเผลอไปไม่ได้เอาใจใส่ระวังรักษา หญิงแพศยาจึงได้ลักห่อเรื่องประดับแล้วหนีไปสหายเหล่านั้นชวนกันเที่ยวหาหญิงแพศยานั้นไปจนถึงที่พระศาสดาประทับอยู่จึงเข้าไปหาและทูลถามว่าอ ป, ปิพระว่าอิทิงประเสยญยะแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งบ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่ามีเรื่องอะไรหรือท่านทั้งหลายจึงได้เที่ยวตามหาสตรีสหายเหล่านั้น จึงได้ทูลเล่าความให้ทรงทราบตั้งแต่ต้นครั้นแล้วพระองค์จึงได้ตรัสถามว่ากุมารทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นอย่างไรท่านควรจะสแสวงหายิางนั้นดีกว่าหรือจะพึงสแสวงหาตนดีกว่าข้าพระเจ้าควรสแสวงหาตนนั่นลหละดีพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านครั้นแล้วพระพุทธเจ้า ก็ได้ส่งแสดงอนุปุปภิกขาและอริยสัจสให้สหายทั้งส0สบคนเกิดดวงตาเห็นธรรมและส่งประธานอุปสมบทให้และส่งไปในที่ต่างๆเพื่อช่วยประกาศศาสนาข้อความในตอนนี้ขอให้ท่านสังเกต ด, ดูว่าพวกสหายส0สบคนไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ก็เรียกพระองค์ว่าพัควาซึ่งแสดงให้เห็นว่า คำนี้ได้เคยมีมาก่อนและเป็นคำที่รู้กันทั่วไปว่าใช้เรียกได้เฉพาะผู้ที่เป็นฤาษีหรือเป็นนักบวชที่จะรับการยกย่องอย่างสูงสุดเท่านั้นแม้ในเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าอามาตย์ของพระราชาในเมืองพาราณสีได้พูดกับพระดาบทผู้หนึ่งชื่อว่าเกสีโดยเรียกว่าพัวาเหมือนกันคือเรื่องมีอยู่ว่าท่านเกสีดาบดผู้นี้ครั้งหนึ่ง ได้มาอยู่ในสวนของพระราชาและได้รับการเลี้ยงดูจากพระราชาด้วยอาหารที่มีรสต่างๆเป็นอย่างดีต่อมาภายหลังท่านเกสีดาบทเกิดไม่สบายและต้องการที่จะกลับไปอยู่ป่ากับพวกลูกศิษย์ที่เคยอยู่ร่วมกันมาซึ่งลูกศิษย์ที่ท่านเกสีรักมากนั้นมีชื่อว่ากัปปดาบทจึงได้ทูลลาพระเจ้าพารณสีเพื่อที่จะกลับไปยังอาสมที่เคยอยู่ แต่อมาตผู้หนึ่งมีความเห็นว่าเมื่อกลับไปอยู่ป่าแล้วก็จะได้ฉันแต่อาหารซึ่งมีรสจืดไม่น่าอร่อยจึงได้ถามท่านเกสีว่าก as ัทฐานุภคะวาเกสีกัปปสะพรามสิอัสมเเแปลว่าท่านภคะวาเกสีทำไมจึงยินดีที่จะอยู่ในอาสมของกัปปดาบทท่านเกสีได้ตอบว่าความคุ้นเคยนั่นแหละเป็นรสอันเยี่ยม จากเรื่องในชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคำว่าพควาเป็นคำที่ได้ใช้กันมานานแล้วโดยถือว่าเป็นคำสําหรับเรียกผู้ที่เป็นนักบวชด้วยการยกย่องอย่างสูงแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าคำว่าพควานี้มีความหมายอย่างไรบ้างจึงได้นำมาใช้เป็นคำสาหรับเรียกพระพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่รู้กันแต่เพียงว่าคานี้เป็นคาสูงเป็นคาประเสริฐ ดังที่ในคำภีรวิสุธทธิมักได้กล่าวมาแล้วโดยธรรมดาคําบางคําที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกนั้นในเมื่อถูกนํามาใช้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มักจะให้ความหมายเสื่อใหม่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นคําว่าพราหมณ์เป็นคํามีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเป็นคําที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง เพราะตามความหมายที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นถ้าใครได้ชื่อว่าเป็นพรามก็แปลว่าเป็นพวกชั้นสูงแต่คำนี้ในเมื่อนามาใช้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ความหมายเส้อใหม่เช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนกับน้ำซึ่งไม่ติดอยู่ที่ใบบัวเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มซึ่งเมื่อวางก็จะลนทันทีเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นพราม ข้อความในพุทธพจน์บทนี้เห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความหมายของคาว่าพรามเสียใหม่ซึ่งผิดกับความหมายเดิมเพราะตามความหมายเดิมนั้นคาว่าพรามแปลว่าผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระพรหมซึ่งเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกในธํานองเดียวกันคาว่าภักวา่าแม้จะเป็นคาที่ใช้กันมานาน แต่ใ น, นเมื่อ น, นามาใช้เป็นคำสำหรับเรียกพระพุทธเจ้านั้นทางพระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความหมายเสมใหม่ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปหมายเหตุผู้อา่านการใช้คำว่าพรามยังอีกความหมายหนึ่งในพุทธพจน์หลายแห่งนั้นก็เป็นการล้อคำล้อความกับความหมายที่พรามสมัยนั้น ระบุความหมายของคำว่าพรามีความหมายหนึ่งไว้ว่าคือผู้ลอยบาปพ้นบาปซึ่งการปฏิบัติของเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถพ้นบาปได้จริงท่านจึงทรงอธิบายเป็นการล้อความและให้ความหมายใหม่ว่าพรามที่แท้จริงนั้นจะพ้นบาปลอยบาปได้จริงต้องเป็นแบบไหนต้องทำอย่างไรข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วว่า คำว่าพักาวาเป็นคำสำหรับเรียกผู้ที่เป็นฤาษีหรือเป็นโยคียด้วยความเคารพนับถือยกย่องอย่างสูงในฐานะที่เป็นครูหรือเป็นอาจารย์และคำนี้ได้มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกแต่นี้เมื่อคำนี้ได้ถูกนํามาใช้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้เป็นคำสำหรับเรียกพระพุทธเจ้าเท่านั้นประสาวกองค์อื่นๆแม้จะเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าเป็นผู้วิเศษสักเพียงไร ก็ไม่เรียกว่าภควาเพราะฉะนั้นคํานี้จึงเป็นคําที่มีความหมายสูงมากความหมายของคํานี้ตามรากศัพท์กล่าวไว้หลายนัยยะต่อไปนี้คือคําอธิบายที่ท่านได้กล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมักความหมายที่หนึ่งคำว่าภควาแต่เดิมมาจากคําว่าภาคยวาซึ่งตามศัพท์แปลว่ามีพระภาค และคำว่าพระภาคในที่นี้ท่านหมายถึงบารมีทั้งสิบเพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีพระภาคคือบารมีต่างๆเช่นฐานและศีลเป็นต้นอย่างยอดเยี่ยมอันสามารถจะยังความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้บังเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าภักวา อีกไนยะหนึ่งคำว่าพระภาคนอกจากจะแปลว่าบารมีแล้วอีกไนยะหนึ่งท่านหมายถึงความสมบูรณ์ได้บุคลิกลักษณะอันเกิดจากบารมีต่างๆกล่าวคือพระองค์ทรงมีมหาภูริลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะอีก80ประการจากความหมายดังที่กล่าวมานี้เห็นได้ชัดว่า บุคคลที่จะมีบุญบารมีถึงขนาดมีมหาปุริาสารลักษณะเกิดขึ้นนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นและบุคคลที่จะสามารถตั้งศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงทั้งในทางโลกิยะและโล ก, กุตระเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหมดนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยเหตุนี้คาว่าภควาจึงเป็นชื่อสาหรับเรียกพระพุทธเจ้าเท่านั้น อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุไรคำว่าพระภาคจึงหมายถึงความสมบูรณ์แห่งบารมีและหมายถึงความสมบูรณ์แห่งร่างกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะของความเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าสันนิษฐานเอาเองว่าเนื่องจากคำนี้เป็นคำที่มีมานานแล้วเป็นคำสำหรับเรียกผู้ที่เป็นนักบวชชั้นศาสดาด้วยความยกย่องสูงสุดเพราะฉะนั้น คำนี้แต่เดิมน่าจะเป็นคำที่ใช้สำหรับเรียกผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกที่แบ่งภาคลงมาหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นคำสำหรับเรียกพระโยคีหรือพระฤาษีที่มีอภิญญาและมีความสง่างามมีปัญญาแหลมคมลึกซึ้งเป็นมิ่งขวัญหรือเป็นสิริมงคลแก่คนในโลกเพราะคำว่าภาคยะน่าจะแปลว่าผู้ที่แบ่งภาคลงมาจากสวรรค์ หรือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งสวรรค์ความหมายที่สองคำว่าพัวาอีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่ามาจากคำเดิมว่าพักวาซึ่งคำนี้แปลว่าผู้หักหรือผู้ทำลายในที่นี้หมายความว่าเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงหักคือทำลายกิเลส ได้หมดทุกประเภทไม่มีกิเลสอันใดเหลืออยู่ในสันดานเลยเพราะเหตุนี้จึงได้ทรงพระนามว่าพักวาซึ่งแปลว่าผู้หักหรือผู้ทําลายความหมายที่สามอีกนัยยะหนึ่งพักวาท่านว่ามาจากคำเดิมว่าพระเคหิยุตโตแปลว่าเป็นผู้ประกอบไปด้วยพักธรรม ซึ่งคำว่าพระธรรมในที่นี้ตามที่ได้อธิบายไว้มีความหมายอยู่หกอย่างคือหนึ่งอิสริยะ 2. ธรรมะ 3. ยศสสิริหกามะ 6. ปะยัตตะอิสริยะแปลว่าความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านหมายถึง ความเป็นใหญ่ยิ่งกว่าเครียดไรในด้านจิตใจเช่นท่านยกตัวอย่างว่าพระองค์ทรงสามารถทําให้ร่างกายเบาลอยไปในอากาศได้หรือเดินไปในอากาศได้หรือสามารถทําให้ร่างกายเล็กอย่างไรก็ได้หรือทําให้หายตัวก็ได้อย่างนี้เป็นต้นโปรดสังเกตว่าอิสริยะซึ่งแปลว่าความเป็นใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เป็นใหญ่เหนือคนอื่นโดยใช้อำนาจหรือใช้อิทธิพลใดๆแบบพวกกษัตริย์หรือคนที่มีอำนาจในทางโลกตรงกันข้ามพระองค์สามารถเอาชนะใครก็ได้โดยอำนาจจิตของพระองค์ที่มีอยู่เหนือคนอื่นหรือจะพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงคือไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์หรือแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สามารถที่จะเอาชนะได้ เช่นทรงชนะช้างนาลาขีรีเป็นต้นธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมะ ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเพราะเหตุที่พระองค์ทรงคุณธรรมต่างๆ ท, งทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระยังบริบูรณ์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าภัควาซึ่งแปลว่าผู้ประกอบไปด้วยภัคธรรมซึ่งในความหมายอันหนึ่ง ก็หมายถึงคุณธรรมต่างๆดังที่กล่าวมายศในที่นี้หมายถึงพระเกียรติยศของพระองค์ซึ่งปรากฏไปทั่วทั้งสามโลกเป็นพระยศที่ทรงได้มาโดยพระคุณที่เป็นจริงและบริสุทธิ์ยิ่งนักสิวิหมายถึงความสง่างามแห่งร่างกายของพระองค์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้พบเห็นกา마ตามสับแปลว่าความใกล้หรือความปรารถนาแต่ในที่นี้หมายความว่าพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการประตตะแปลว่าความพยายาม ในที่นี้หมายความว่าพระองค์ทรงมีความพยายามอย่างยอดเยี่ยมไม่ทรงเห็นแก่ความลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยในอันที่จะทำประโยชน์ตั้งแก่พระองค์เองและแก่โลกพระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าภัควาก็เพราะเป็นผู้ประกอบไปด้วยพัคธรรมทั้งหลายคืออิสริยะธรรมะยศสิริกามะและปะยาตตะดังที่กล่าวมานี้ ความหมายที่สคํคำว่าภักวาอีกนัยยะหนึ่งมาจากคำว่าวิพัตัวาแปลว่าแจกหรือจำแนกในที่นี้มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเปิดเผยธรรมคือหลักความจริงต่างๆด้วยการทรงแยกแยะเป็นหัวข้อธรรมประเภทต่างๆและจัดเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อความสะดวกแก่การศึกษาและการปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นได้แบ่งแยกประเภทต่างๆไว่มากมายและแบ่งแยกกันอย่างละเอียดที่สุดแม้กระทั่งความหมายของสภาวะที่ต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็ทรงแยกแยกไว้ให้เห็นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอันที่จะทำให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งของธรรมะจนกระทั่งในที่สุดทาให้มองเห็นถึงความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวง คำว่าวิพัตตวานอกจากจะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วอีกในย่าหนึ่งยังหมายถึงว่าพระองค์ได้ทรงจำแนกหรือแจกจ่ายธรรมะเหล่านี้แก่โลกด้วยความเมตตากรุณาอันเปรียบปานเสมือนหนึ่งมหาสมุทรซึ่งเป็นการแจกจ่ายให้ปล่าเปล่าไม่ได้วังผลตอบแทนอะไรนอกเหนือไปจากพระองค์ทรงต้องการที่จะให้สาวกทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงและให้เป็นประโยชน์แก่สาวกโดยตรงเท่านั้น ความหมายที่ห้าคำว่าพัควาอีกนัยยะหนึ่งมาจากคำว่าพัตตวาซึ่งแปลว่าคบหรือเสวนาในที่นี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงครบแต่ธรรมะอันเป็นที่อยู่ของเทพของพรมและของพระอริยะทั้งหลายลาวคือภายในจิตใจของพระพุทธองค์นั้นจะทรงมีแต่ธรรมะอันเป็นลักษณะประจาใจ หรือเป็นที่อยู่แห่งจิตใจของพวกเทพพวกพรมและพระอริยะทั้งหลายเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีธรรมะอันเป็นลักษณะของคนดีดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุจูงใจให้คนดีทั้งหลายเข้ามาคบหาสมาคมกับพระพุทธองค์และนอกจากนี้ยังมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งคือพระองค์เป็นผู้ควรแก่การครบหาแม้แก่คนที่ไม่ดีทั้งหลาย เพราะในบรรดาคนเหล่านี้ในเมื่อพระองค์เสด็จไปหาหรือเข้ามาหาเองก็ตามก็จะเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นกลายเป็นคนดีไปด้วยความหมายที่6คคำว่าพักวาอีกนัยยะหนึ่งมาจากคำว่าพระเวสุวันตะคมโนแปลว่าการไปในพบทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงคลายออกได้หมดแล้วคือหมายความว่าพระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะเกิดในภพใดๆอีกทรงปรารถนาอย่างเดียวคือความดับไม่มีเหลือของภพคือนามรูปเท่านั้นความปรารถนาความดับไม่มีเหลือของนามรูปก็คือความปรารถนานิพพานความปรารถนาอย่างนี้ปุถุชนทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่ามีประโยชน์อย่างไร แต่สำหรับคนที่เคยปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาได้ผลมาแล้วจะรู้สึกเหมือนกันทุกคนว่าถ้าตัวเองจะสามารถเข้าสมาธิถึงขั้นวิญญาณดับได้แล้วนั่นจะประเสริฐกว่าอะไรทั้งหมดซึ่งในเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับอันหนึง่งคำว่าดับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความตายแต่หากหมายถึงสภาวะที่อยู่เหนือความตาย และการเข้าถึงสภาวะอันนี้จะต้องเข้าถึงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หลังจากตายคนที่เข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวไม่ได้หมายความว่าวิญญาณดับเพราะคำว่าวิญญาณดับในเมื่อเข้าถึงนิพพานนั้นหมายถึงตัณหาอุปาทานในทุกสิ่งทุกอย่างต้องดับหมดไม่มีเหลือเป็นการดับสิ้นจากสันดาน และเมื่อตันหาอุปาทานไม่มีแล้วความกดดันภายในย่อมไม่มีเมื่อความกดดันภายในไม่มีก็จะมองเห็นแจ้งว่าสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นความจริงไม่มีเมื่อเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้แล้วใจก็จะว่างจากกรมณ์ทั้งปวงและมองเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีจริงรันแล้ววิญ ญ, ญาณก็จะดับเมื่อวิญ ญ, ญาณดับ นามรูปก็ดับเมื่อนามรูปดับก็แปลว่าคนนั้นได้เข้าถึงความเป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดหรือจากความจำกัดของประสาทสัมผัสจากความจำกัดของกิเลสและจากวิบากต่างๆด้วยซึ่งเมื่อพ้นไปจากความจำกัดของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเข้าถึงโลกแห่งปัญญาอันไม่มีขอบเขตและครั้นแล้วก็จะเกิดความเป็นสัพพัญูในสิ่งทั้งปวง จากคำอธิบายให้รู้ถึงที่มาว่าคำว่าพคกว่ามาจากรากคาอะไรบ้างดังที่กล่าวมาแล้วนั้นท่านจะเห็นว่าคาคำนี้มีความหมายกว้างขวางและลึกซึ้งมากแต่อย่างไรก็ดีวิธีที่เราจะเข้าถึงพระพุทธคุณบทนี้ก็คือเราจะต้องพยายามนึกถึงความหมายทีละแง่และต้องพยายามนึกบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจซึ้งหมดทุกๆแง่ ซึ่งในเมื่อเข้าใจถึงหมดทุกๆแง่แล้วก็จะพบว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงหรือเอ่อยถึงคำว่าพักวาเราก็จะรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากเช่นเดียวกับคนที่เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกและเชื่อด้วยความสนิทใจว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงๆนั้นสาหรับบุคคลที่เข้าถึงเช่นนี้ ทุกครั้งที่เอ่ยคำว่าพระผู้เป็นเจ้าเขาก็จะรู้สึกว่าคำนี้ประทับใจเขามากและรู้สึกว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากในทํานองเดียวกันสําหรับบุคคลที่เข้าถึงพุทธคุณซึ่งคนที่จะเข้าถึงได้จริงๆนั้นจะต้องเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งและต้องได้รับผลจากการปฏิบัติมาบ้างแล้วสาหรับคนประเภทนี้ทุกครั้งที่นึกถึงหรือเอ่ยถึงคาว่าพัควา เขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งมีความประทับใจมีความพองใสภายในใจเกิดขึ้นพร้อมทั้งจะรู้สึกว่าคํานี้เป็นคําศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งกว่าคําใดๆทั้งหมดและยิ่งมีภูมิธรรมสูงขึ้นเพียงไร <S <S เขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคํานี้มากขึ้นเพียงนั้น <S <S เพราะฉะนั้นสําหรับปุตุชนผู้ซึ่งไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยและไม่เคยเห็นแจ้งในธรรมะอะไร นอกจากจะจำได้นั้นคนประเภทนี้เมื่อนึกถึงคำนี้ก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เกิดความประทับใจแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่สำหรับคนที่เข้าถึงพุทธคุณแล้วตรงกันข้ามในขณะที่มีจิตใจฟุ้งซ่านหรือเกิดความไม่สบายใจหรือมีความมิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวในเรื่องอะไรก็ตามพอนึกถึงคำว่าภควา ความมีตกกังวลหรือความหวาดกลัวต่างๆความไม่สบายใจต่างๆก็จะค่อยๆเหือดแห้งหายไปซึ่งจะหายได้เร็วแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความาซาบซึ้งในพระพุทธคุณที่ตนเองมีอยู่คือถ้ า, าซาบซึ้งมากก็เหือดแห้งหายเร็วถ้ า, าซาบซึ้งน้อยก็เหือดแห้งหายช้าและเป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งว่าสาหรับคนที่เข้าถึงพุทธคุณนั้น ทุกครั้งที่นึกถึงคำว่าพักว่าซึ่งเป็นการนึกด้วยความเข้าใจจริงๆนั้นจะช่วยทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายมากการศึกษาให้เข้าใจในเรื่องพุทธคุณและพร้อมกันนั้นก็พยายามมันนึกถึงบ่อยๆซึ่งเรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสตินั้นมีอนิสงส์มากมายเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพทางจิตดีและมีความมั่นคงในชีวิต มีความก้าวหน้าไปในทางที่ถูกด้วยเหตุนี้ทุกคนควรจะได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดตามนัยยะดังที่ได้อธิบายมาตั้งแต่ต้น